ทำพีที่สองชื่อว่าปัญจขันธาเวทนาขันธ์ลูปรขันฑูตเวทนาขันฑูสัญจาขันฑูสังขารขันฑูวิญญาณว่าด้วยอุปทานในขันห้านะอุปทานในขันห้านะปัญจขันธาว่าคนเราเนี่ยมีห้าส่วนนับง่ายง่ายคนเรานี่มีในร่างกายเขาเรามีกี่กิ่งโยมเคยนับไหมมีกี่กิ่งมีอยู่ห้ากิ่งใช่ไหมแขนสองกิ่งขาสองกิ่งหัวหนึ่งกิ่งพราะเรามาจากขันอะไร ขันห้ามือของเรามีกี่นิ้วห้านิ้วถ้าคนไหนมีหกนิ้วหรือสามนิ้วปกติไหมไม่ปกติแล้วทำไมมีห้านิ้วเพราะจิตของเรามาทำงานอยู่แค่ห้าตัวเพราะนั้นมือเนี่เป็นเส ม, มือนคีย์เวิร์ดของคอมพิวเตอร์นะมันก็จะทำอยู่แค่ห้านิ้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นรูปขันถูเวทนาขันถูสัญญาขันถูขันนะ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 พระพรุทธเจ้าว่าให้ไปละตรงนั้นรูปที่เกิดจากความคิดแต่รู ป, ปรธรรมาตุเนี่ยไม่ต้องไปละละไม่ได้เราคุณละเมื่อไหร่ก็นอนเข้าไปอยู่ในโลงนั่นแหละนะแต่รูปประคันเนี่ยคุณต้องละถ้าไม่ละแล้วทุกก็จะตลอดเวลาทุกจะปรากฏตลอดเวลาในชีวิตวันของเราเนี่ยเราทุกทางกายกับทุกทางใจอัานไหนมากฝ่าทุกทางใจแม้แต่นอนก็ยังทุกนั่งเฉยๆมันก็ทุกใช่ไหม แต่รูปเอ่อในรูปปขันเออในในรูปประทัเนี่ยนั่งเฉยเฉมันก็ไม่ทุกข์เลยใช่ไหมมันขยับไปขยับมาเสนหน่อยเนี่ยมันก็สบายละแต่ใจไม่ไงใจเขายังคิดอยู่โฮปินี่เขาทั้งสามล้านหลวงพ่อเอาไงเนี่ยไปหาที่ไหนก็หลวงพ่อเอ่อทูเอ่อขอหวยเอาสักตัวสองตัวนี้เมื่อไหร่หนูจะโปรดหนี้ถ้าหนูโปรดหนี้สามล้านได้นั่นหนูมาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อโอ้โหเนีมีข้อต่อเรามีเงื่อนไขด้วยนะ โอ้ยี่ยากกันนะอาจมาเจอแบบนี้เมื่อไหร่โยมมาปฏิบัติกันก็นแล้วกันถ้าเกิดโยม อ, อบอกว่าเออถ้าปวดนี่ได้เมื่อไหร่จะมาปฏิบัติถ้าปวดนี่ได้โยมลืมว่าได้จะว่าไงไม่มีหลักประกันโยมมาปฏิบัติก็แล้วก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจ ะ, จะถูกหวยเอาไวท้ทีหลังเหมือนกันนะเ <c oughs> ขาก็ไม่ยอมมามีการต่อลองกันนะอันนี้คนปัจจุบันไปอย่างงั้นเลยนะอันนี้เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เด็กจิตเราคิดเหมือนกับ เครื่องนาฬิกาคือเราคล็อกไมชีเนี่ยนะมันทํางานแค่เนี้ยอยู่ห้าข้าเฟืองนะแต่วั น, นออยังขําคืนยังลูกแต่เขมันบอกอะไรเราบอกวินาทีบอกนาทีบอกชั่วโมงบอกวันบอกเดือนบอกปีบอกหลายปีบอกศตวรรษทั้งๆที่มันทํางานอยู่กับที่แค่เนี้ยใช่ไหมจิตของเรามันแค่ทํางานอยู่แบบเหมือนเครื่องนาฬิกาแค่เนี้ยแต่มันคิดสารพัดเรื่องเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องต่อวันนะ่ะแต่มันทํางานอยู่แค่ห้าตัวเนี่ย เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนอ ะ, อะมันมีคีย์อยู่ไม่กี่ตัวแต่เราทํางานได้เป็นร้อยอย่างพันอย่างอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในตัวที่จิตมันทํางานเลีวยวขันห้าเรียกว่าเป็นปรมาทิศทางานอยู่แค่นี้แต่สมมุติของมันมาเป็นสารพัดเป็นวันเวลาเดือนปีอะไรสารพัดอย่างมาจากแค่นั้นดังนั้นท่านก็สรุปว่าชีวิตของเรามันมีแค่นี้นะห้าสี่ขันห้าอ่ะ ถ้าจะเลี ย, ยงนี้ไม่จบแน่คืนนี้เนาะไม่ต้องได้สวดกันละเอาแค่นี้พอปีหน้าให้ฟังใหม่เนาะเดี๋ยวผมพ่อกลับบ้านดึกแน่เลยเนี่ยมาเดินทางมาไกลนั้นเองอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านไปแสดงธรรมเรื่องนี้ในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นที่4เอพวกนักธรณีวิทยามันก็ไอ้สันเจาะนะ้มันไปแทบจะทะลุไปอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่จเจอนาก แล้วคันก็ยิ่งจะรวดล็อกเก็ตขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นหนึ่งนะบนสวรรค์เนี่ยจะขึ้นไปถึงโลกอังคารพระอหัดสุขเสาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจอสวรรค์จากชั้นมาอยู่ตรงไหนกันแน่ขุดลงไปใต้ดินก็จะทะลุโลกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจอนรกสักหลุมขึ้นไปบนฟ้าจนทะลุถึงโลกอาจารย์ถึงพระอาทิตย์อยู่แล้วมันก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นเลยมันอยู่ที่ไหนกันแน่อ่ามันจะต้องเป็นมิติอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่นะเพราะฉะนั้น เพื่อความที่จะไม่ยื่นเยอะเหลืออีกชั้น5้าคัมภีร์เอาประเทศต่อปีต่อไปก็แล้วกันเอาวันนี้แค่สองคัมภีร์ก็พอแล้วเนะี่ยเดี๋ยวยื่นเยอะแน่นอนทีนี้เมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าปแสดงธรรมในสวรรค์ชั้นที่สคือชั้นดุสิตเพราะเป็นที่ประทับของบุคคลที่เป็นพุทธมารดานเนี่ยเวลา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 เอามาก็ถามเมาื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมจะไม่แสดงที่ชั้นดูสิที่เลยเพอนะ่อในจิงมาก็คิดไปคิดมาโอ้สวรรค์หกชั้นเอ๊ะในร่างกายของมนุษย์นี่มันมีอะไรนะสวรรค์มาจากคําว่าภาษาบาลีว่าสุขติลองวิเคราะห์ตามศัพท์เลยสุขติแปลว่าไปดีมาดีใช่ไหมอ่าไปสบายมาสบายอ่าอยู่สบายกินอร่อยใช่ไหมสุขติเนี่ยนะถ้าไปทุกขติคือไปไม่สบายมาไม่สบาย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 วันไหนที่ตื่นขึ้นมาถ้าหากหายใจยังไม่ลงทั้งสองปอดเนี่ยอมายังจะยอมไม่ได้วันนั้นต้องหายใจให้ลงทั้งสองสองข้างเพราะการหายใจลงทั้งสองข้างนั้นมันถึงหมายถึงการเปิดประตูสวรรค์วันนั้นทั้งวันจะไม่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นอามาเวลาเปิดคอร์สเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามสิบเราจะเปิดคล้องลมอยู่ที่วัดอะไรนะถ้าหัวฝ่ายพระธาตุดยหัวฝ่ายนะถ้าใครอยากไปสวรรค์ไปรู้จักนรกก็ไปที่นี่ก็แล้วกันนะ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 จะตูบวกมหาราชะแปลว่าจาตูมหาราชแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทั้งสี่ทิศผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่เอ้ในกายในในกายในใจของเราอะไรเป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่โยมพอจะรูไ้ไหมเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ในที่ที่สีร่างกายของเราเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ที่ที่สี่ ดินน้ำโดนไฟเหรอเป็นใหญ่สั ญ, ญลักษณ์ว่าดินน้ำโดนไฟของเราดีหรือไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในะ่ะส่วนไหนอัตมนี่สวรรค์ไม่เคยดีเลยเนี่ยต้องใส่สวรรค์ปลอมเนี่ยคือใส่แว่นตาไม่เคยดีแล้วตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสุขภาพทุกส่วนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเพราะนั้นตานี้เป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่ มองไปที่ต่มันออกก็ได้มองไปที่ต่มันตกก็ได้มองไปที่ข้างหลังก็ได้มองไปที่เบื้องหน้าเบื้องหลังข้างซ้ายข้างขวาได้หมดเป็นใหญ่ในที่4เพราะฉนั้นถือว่าเป็นจาจุมหาราชและตาที่จะดีนั้นจะต้องมีเท้าทั้ง4เท้าทั้ง4ี่ก็ได้เท้าอะไรเท้าทศตรศเท้าวิรุณหะเท้าวิรูปักและเท้าวเวสวรรณนะเอเท้าทั้งสมันคำแม่งคำแม่งนะทศตรศแปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งธาตุอ้อทศตรถก็แปลว่าธาตุดินนั่นเองมันทรงไว้ซึ่งรสทั้งหลายต้นไม้ที่ปลูกลงบนดินนะมันมีรสสารพัดรสใช่ไหมแต่ดินมันมีมีมีรสอะไรนะเอาปลูกตรงนี้ทุเรียนก็ปลูกตรงนี้ฝรั่งก็ปลูกตรงนี้กระ thon ก็ปลูกตรงนี้ขนุนก็ปลูกตรงนี้ปลูกในที่ดินเดียวกันแต่รสออกมาเหมือนกันไหมอ้อรสหวานรสหวานรสขมรสเปรี้ยวออกมารสต่างๆกันเรียกว่าทศตรถ ทรงไว้ซึ่งรถรถนาน า, นารถต่างๆ น, นานาเรียกว่าธาตุดินเท้าทศตรถเราจะเรียกว่าธาตุมันก็ไม่เป็นเป็นปรมัตไปใช่ท่านจึงเรียกว่าเลยเท้ามันจะได้เป็นปุกาดาที่ฐานเท้านั้นเท้านี้มาจากคําว่าธาตุนั่นเองเออน่าแปลกใจเนอะบบลาณนี้ฉลาดเนอะเข้าใจใช้สมมุตินะนี่เท้าทศตรถรักษาแผ่นดิน นะเวลาเราจะไปมีการมีงานอะไรอย่าโดดต้องไปตั้งสารเพียงตาบูชาเท้าอะไรทั้ง4ี่ใช่ไหมเท้าทศตรศเท้าวิรุณหะได้แก่มิกกี้ก่อนที่เราจะแสดงทำขนาส่วนมนอะไรตกลงมาฝนตกลงมานั่นก็เรียกวิรุณพระวิรุณลงมาละมาจากพระวิรุณหะพระเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระวิรุณใช่ไหมก็มาจากท้าวิรุณหนั่นเองคือน้ําธาตุน้ํา ทาวิรูปักวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอลาบเทหิเมะท้าวิลูปักษคื อ, ยยย อ, ยยคอพยาวายุพายุนั่นเองโอ้ปีนี้อา่ทาท้าวิลูปักรุนแรงเนะเาะอ่าหมู่บ้านที่จะมาอยู่นะี่ยสามหมู่บ้านพังไปเกือบสองร้อหลังคาโดนไหมทางจังหวัดทางอำเภอไม่สอดโดนไหมโดนพายุไหปีนี้โอ้ ท, อที่ที่แพรนี่แรงมากเลยเนาะทางอีสานแรงนั่นนะ่ะพายุ แรงเขเรียกว่าทา้าววิรูล้าวิรูปักนะเรียกว่าธาตนะุลมนะท้าววิรูปักเรียกว่าธาตุลมแล้วอันสุดท้ายธาตุอะไรธาตุไฟเรียกว่าท้าวเวอะไรอยท้าวเวสุวรรณคือยักษ์นะธาตุไฟ สมมติว่าเป็นยักษโอ้หน้ามันยักษ์เลยนะอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอะไรตาถลนออกมาจากเบ้าไปมันกรธหน้ามันยักษ์นะนั้นธาตุไฟเผาเของเราใช่ไหมถา้าเวลาเมื่อไหร่ธาตุไฟเผาขึ้นมาตัวเราเป็นไงสั่นนะตาถลนหูตาอะไรกันแสดงว่าไฟมันเผาข้างในแล้วนั้นเขาเรียกว่าไฟธาตุไฟกำเริบเรียกว่าไฟนรกเผาขึ้นมาข้างในเคยมีบ้างไหมเคยถลนรกบ้างไหม อ่าเขาไหนเคยโกรธนี่เคยตุกนรกทั่านั้นอันนั้นคือไฟนรกนั่นน่ะนะมันไม่ที่ใจเราก่อนแต่ถ้าหากาก็าัดนนี้จนไปเราตายนี่ยถ้าเราดับไฟกองนี้ไม่ได้ถ้าหลับปุงปั๊มเนี่ยไฟตัวนี้ไปติดสาไฟอะไรไฟนรกของจริงเลยถ้าเราไม่สามารถดับความโกรธให้ดับสนิทได้ในขณะมีชีวิตอยู่นะตายไปไฟตัวนี้มันจะไปติดใส่ไฟเท่านั้นดับได้หรือยังโออย่าประมาทนะ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 ญาติธรรมหลายคนที่มาปฏิบัติในวิธีการหัวเทียนเนี่ยเขามีสติสมัยยะประคองตนเองเขาสั่งไวไ้เลยนะเวลาฉั้นเป็นอะไรได้ไม่ได้สติพวกแกอย่าสั่งลูกเอาไว้นะอย่าไปโรงพยาบาลนะเอาชันไปนอนอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็กางมุง้งแล้วพวกเธอเลยถอยออกมาจนกว่าฉั้นจะเงียบไปแล้วเข้าไปจัดการได้อันนี้ญาติโยมที่คนพูดเท่าผู้แกในงานสายงานขหัวเทียนนะหลายคนทําอย่างนั้น เพราะว่ า, าเราเจริญสติสมรยะดับไฟนรกได้คนไหนที่จเจริญสติสมรยะอยู่เป็นประจําแล้วสามารถประคองสติมรยะจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่หลงสติเ ม, มื่อใดหลงสติมมและโอกาสที่จะลงนรกนั้นเยอะหรือไปอาบายแต่ถ้าเราประคองสติมรยะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ตกนรกเพราะมัจุราชมองไม่เห็นเรามัจุราชคืออะไรมัจุราชคือความ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 เพุบันนั้นดับความโกรธได้เร็วแค่กระทบปั๊บขุนมัวนิดหน่อยก็เดี๋ยวก็ดับละแต่ไม่เหมือนผู้ดูชนคนทั่วไปมุงทีกระทบอ่าด่ากันวันนี้ก็จะหมดได้หลายชั่วโมงบางทีเป็นวันยังไม่ดับเลยไฟนรกที่ติดอยู่แต่ของพเพศวันติดแป๊บเดียวก็ดับแต่บางคนโกรดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธกันมื่นั้นไม่สบายใจมื่นั้ไฟนรกยังไม่ดับนะดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปัญจขันธารูปขันโท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 และมีใจที่ตั้งใจใส่บางคนฟังธรรมะทั้งการนีจ่จาไม่ได้เลยนะปรนเทศอะไรอ่าเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่มีอาการครบสามสิสองแต่ขาดอาการสามสิสาคือจิตไม่ได้อยู่กับกายพราะพูดที่นี่แต่ว่าใจไปคิดเรื่องอะไรวันนี้กูกลับไปคุจะไปกินอะไรหวานพรุ่งนี้กูจะทําอะไรเมื่อื่นนี้จะทำอะไ ร, ไ, ะะ ไ, รไปคิดแต่เรื่องอื่นกายกับใจไม่ได้อยู่กันเรียกว่าอาการไม่ได้อยู่ในะอาการสามสิบสามมีอาการสามสิสองก็จริงนั้นเรียกว่า ไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงคือตาเอ่อชั้นพอจะนึกออกเลยใช่ไหมตาดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นจ่าดูมหาราชหูดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อไปตาหูจมูกดีจมูกอ่อสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามาทําไมจึงชื่อว่ายามาใครเป็นยามของชีวิตใครเป็นยามของจิตใจ ยามของชีวิตมีกี่มีกี่คนโยมเป็นชาวพุทธมานานนะยามของชีวิตมีกี่คนหายใจเนี่ยวันหายใจกี่ครั้งหายใจแค่สองครั้งคือหายใจเข้ากับหายใจออกมีสองอันยามของชีวิตคือยา ม, มาสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่าสวรรค์ชั้นยา ม, มาเพราะลมหายใจนี้เป็นยามของชีวิตนั้นโบราณอาจารย์จึงเอาลมหายใจมาเป็นอุบายกรรมาฐานใช่เลย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 พระที่เบ็ดวันไหนท่านจะวันนี้จะออกไปทําธุระภายนอกบ้านเนี่ยสําเร็จหรือไม่สําเร็จเขาจะพิสูจน์ที่ลมหายใจตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะมาทําลมปรานมาทําลมปรานให้หายใจโล่งทั้งสองจมูกเสียก่อนวันนี้แก้ไขอย่างไรหายใจมันก็ติดขัดแสดงวันนั้นจะออกไปทําอะไรธุระข้างนอกเนี่ยไม่ดีไม่สําเร็จหายใจดีบ้างไม่ดีบ้างพ่อธรรม ผสมเพื่อเส็อแค่ครึ่งเดียววันนั้นหายใจไม่ไดีฝืดหายใจหมู่หายจะหมูกหายใจตีบตันวันนั้นเขาจะอยู่บ้านทั้งวันเลยแต่วันไหนรู้สึกหายใจเข้าออกโล่งโปร่งดีเขาจะเรียกว่าไปทำธุระสําคัญเพราะวันนั้นทําอะไรก็สําเร็จเพราะหายใจมันโลง่งทะลุปอดทะลุสะดือเรียกว่าลมปราณเพราะนั้นประวัติเรื่องลมปราณจึงสอนกันที่ที่เบตที่เบสเขาสอนกันว่าไงจึงสอนก็นว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมน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 อยู่ที่ไหนโมโหที่นั่นเป็นไงอยู่ที่ไหนตกนรกที่นั่นไม่เอาอยู่ที่ไหนนิพานนิพานแปลว่าอะไรนิพานแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจอ่าก่อนที่เราจะเย็นแบบภาวะเราก็อยจงเย็นแบบอะไรชั่วคราวเทมโพเรียนคูเชื่อก่อนใช่ไหมคือหมายความว่าเย็นชั่วคราวชื่อก่อนคือหมายความว่าเย็นเรื่อยๆพอเย็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เป็น Perman านนท์คูเย็นตลอดการ ไอการตลอดการได้มันก็ต้องเป็นเทมโอรี่เสก่อนคือชั่วคราวเสก่อนนะนั้นไปที่ไหนก็นิพานที่นั่นอ่าถ้าใจของเรานิพานใจเราเป็นเย็นอ่าเรารู้ได้ไงว่าคนใจเย็นเหมือนต้นไม้ดอกไม้เวลามันเย็นดอกมันจะเป็นไงบานเสลาฟังอ่าคนไหนใจเย็นเป็นหน้าจะเป็นไงบานแต่คนไหนใจแย่เป็นไง หน้าหน้าเหงาหน้าเศร้าหน้าโทรมหน้าหิวเหมือนดอกไม้อ่ะใช่ไหมเวลาอา่น้าไม่มีหน้ า, อาดอกพุ่มจหิวชั้นใดก็ชั้นอยู่ที่ไหนให้นิพพานที่นั่นแต่เราบอกว่าดูคนทุกคนเป็นผู้ที่เจ้าก็คือแล้วถ้าเราดูคนที่เราไม่ชอบหน้าเอ้ก็เขาเป็นผู้ทีเจ้าแ้่เราไปชอบไม่ไม่ไม่เอ ไ, ไปรังเกียจคนคนนั้นเท่ากับรังเกียจใครรังเกียจผู้ทีเจ้าถ้าด่าเขาเท่ากับด่าใคร ด่าพุทธเจ้าบาไหมเพราะฉะนั้นเวลาลูกทำอะไรผิดจะไปดา่าลูกไม่ได้นะต้องทำยังไงต้องสอนสอนไม่เอาไปยังไงขาดโทษคาดโทษไม่เอาอะไรก็ลงโทษอ่าต้องตามลำดับนะปุ๊ปราบจะไปด่าเลยไม่ต้องสอนให้สติเขาสักนแต่ถ้าเราไม่มีสติจะให้สติเขาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือจะต้องทำอะไรต้องเจริญสติแล้วเจริญบา้างไนดะ้ยังไง บางคนยังไม่ได้เจริญเลยนะและ้วจะสติไปไหนไปใช้อ่ะลูกไม่เข้าท่ากับใสทันทีสามีไม่เข้าท่ากับใสทันทีภรรยามไม่เข้าท่ากับใสทันทีตกนรกทุกครั้งแล้วจะดูเป็นผู้เจ้าได้ไงอะ่ะใช่ไหมมันไม่ทันได้ดูแล้วเพราะไม่มีสติเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ตื่นเบิกบานนะดังนั้นทําใจให้รู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าเป็นพุทธะได้สวรรค์ชั้นที่สแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่จบหกชั้นอันนี้นะเนี่ยสวรรค์ชั้นที่สี่ชื่ออะไรนะ ดูสิทตดุสิธ์มาจากเขา้าตุสิตะตุสิตะแปลว่าปุ่มรับรถได้ถึงพันรถสหัสรถพันปุ่มลิ้นของเราเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจุ่มจับน้ำลายมันมีอยู่พันพันจุดนะไปนนับดูก็ได้ไหวไหม <laughs> นับจุดเล็กๆที่ปลายเอ่อที่ลิ้นทั้งหมดเข้าเรามันมอยู่พันจุดมันรับลิ้นรับรถได้เป็นที่หลังออกซึ่งน้ําย่อยเพราะฉะนั้น ทำไมพุทธมารดาจึงเกิดในชั้นนี้อามนก็สงสยัยเอ๊ะก็าคนตายแล้วไปเกิดที่นั่นเป็นพุทธมารดาอืมเมื่อพรรษาที่เจ็ดพระองค์เผยแผ่าศาสนามาไปปวดปวดไปอยู่ระยญญตมารู้สึกว่าอาเน็ตเหนื่อเมื่อล้าอยากจะพักทัานก็เลยเสด็จไปที่เชิงเขาหิมาลัยเชิงเขาหิมาลัยอากาศมันยินสบายเนาะหน้านั้น หน้าในช่วงเดือนพรรษาเนี่ยตั้งแต่เดือนสิ ง, สงหากันยตุลาเนี่ยทางบ้านเราเป็นฤดูฝนใช่ไหมแต่ทางอินเดียในช่วงนั้นมันเป็นฤดูเขาเรียกเสมออากาศดีมากเลยเชิงเขาหิมาลัย อ, อ่ะเป็นเสมอแบบคล้ายๆตะวันตกะนะอากาศดีมากท่านก็ไปพักที่นั่นเราก็สมมุติที่นั่นว่าเป็นสวรรค์ชั้นดูสิเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอแม่บ้านคนหนึ่งที่ทําอาหารอร่อยมาก เหมือนกันเรานึกถึงว่าภูเขาสูงๆว่าเรามักจะมีรีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทแล้วก็จะมีรีสอร์ทดีๆอันนี้สมมุติเอานา้ำท่านไปเอาสวรรค์มาไว้บนดินได้ไงเดี๋ยวผิดผิ ด, ผดตำรานี่อันนี้สมมุตินะสมมติเป็นอย่างนั้นท่านไปแสดงทำไปพักที่นั่นปรากฏว่ามีแม่ครัวของรีสอร์ทแห่งหนึ่งประวารณาตัวถวายอาหารท่านตลอดสมเดือนแล้วท่านก็แสดงธรรมโปรดแม่ครัวคนนี้แม่ครัวคนนี้ตามบุติแล้วจะเป็นเขาเรียกพวก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 ส่วนใหญ่เราพิจารณาทันไว้ขนาดขนาดที่เรามีความสุขเนี่ยเราพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอ่าย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่หนึ่งนี้แหลพิจารณาแบบนี้ไม่ทันเรียบร้อยไปแล้วนะพระก็ปฏิสังขโยไปตามประเพณีอย่างนั้นน่ะควจริงเมื่อก้าร่อยเต็มที่เต็มคราบไปเสียเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่คนพิจารณารสอร่อยของอาหารตรงนั้นทันเนี่ยรสอร่อยต่างๆทันแล้วก็ถอนความพอใจไม่พอใจจากรสอร่อยนั้นได้เรียกว่า เป็นความรู้ระดับพุทธะเลยเดียวเป็นระดับความรู้แม่ของพุทธะแม่ของความรู้จะเกิดตรงนั้นเป็นยอดของความรู้จะเกิดตรงนั้นเรียก ว, ว่าเป็นที่สถิตของพุทธมารดาและปากหรือลิ้นของเราทําหน้าที่ได้กี่อย่างทําหน้าที่กี่อย่างปากกับลิ้นของเราทํานี้ได้กี่อย่างหนึ่งคำว่าหลายอย่างเรานํามาสักสองอย่างดิมีอะไรบ้างดดหนึ่งพูดสองกนินก็รับประทานกันเดียวกันนั่นแหละ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 เชิญชวนชิมอย่างดีทีเดียวนะมีงานอะไรก็ที่ต้องเท่าผ่านแบรนด์ผ้าไว้ใช้ได้หรือไม่ขอไปใช้ได้แล้วผ้าฉันนอาหารทุกว่าหนนะ้ทุกรถนะเพราะนั้นได้ทําบุญด้วยอาหารมากเพราะฉะนั้นคนไทยจึงทําร้านอาหารขึ้นยังไงไม่ว่าที่ไหนในโลกเพราะเราทําบุญด้วยอาหารนะทําบุญด้วยอาหารหนังสืออย่าเพิ่งเก็บนะครูจายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสวดกุณลาแปรนะพร้อมกันนะใกล้จะจบแล้วเนี่ยหลวงพ่อใหเทศได้ขึ้นไม่ไหวนะเดี๋ยวโยมไม่ได้กลับบ้านนะอ่ามาถึงสวนฉันที่ไหนแล้วเนี่ย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 พอใจในนิมิตได้ทุกอย่างตามต้องการเนรมิตได้ตามต้องการจิตเนี่ยมันจะสั่งอะไรมาถ้ากายไม่ทําตามเนี่ยไม่นิมิตให้ไม่สร้างให้เนี่ยจะสาเร็จประโยชน์ไหมวันหนึ่ง ค, คุณคิดกี่เรื่องแล้วคุณทําได้กี่เรื่องร่างกายเขาเล่านิมิตสร้างได้ทันตามที่ใจคิดไหมไม่ทันดอกนะถ้าคนไหนถ้าคนไหนคิดอยากจะทำน่นทานี่แต่ทาไม่ได้สักอย่างเนี่ย นี้เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่ห้าและที่หกไม่สัมพันธ์กันคนเราตกเป็นทาตของความอยากอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะทำแต่น่สิตทำไม่สำเร็จสักเรื่องหนึ่งนั้นเรียกว่าเราจะไม่ไประสบผลสาเร็จเพราะสวรรค์ชั้นที่ห้ า, ท, หาที่หกไม่ ส, สวรรค์ชั้นที่หกลวกกันเลยเพราะมันเป็นสัมพันธ์กันปารณิมิตสวารีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นคาว่าปาระไปผู้อื่นนะ นิมิสวัสดีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นให้ทําตามกายใจสั่งให้กายทำโบราณจีวรจิตเป็นนายกายเป็นบ่า ว, าวนะีก็คือจิตนั้น <c oughs> เป็นสวรรค์ชั้นที่หกวันนั้นสวรรค์ชั้นที่ห้าได้แก่กายเพราะอะไรกายเน้นชอบอบอุ่นชอบสัมผัสชอบนิ่มนวลชอบนุ่มนิ่มชอบเย็นสบายเป็นสวรรค์ใช่ไหมเป็นสุกติ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 360สิเหลี่ยมละมันเหลือแค่สี่เหลี่ยมนะเด่นั้นจะเห็นว่านี่คือตาอสวรรค์ทางตาสวรรค์ทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ย <c oughs> เรารู้จักว่ากายนะี่ชอบนุ่มนิมชอบนุ่มนวลเราก็จึงต้องเวลาร้อนเกินไปแล้วก็เปิดพัดลมบ้างติดแอร์บ้างเวลาหนาวเกินไปแล้วก็ติดฮีทบ้างปรับให้มันได้สวรรค์เพราะฉะนั้นราคาสวรรค์เป็นไงชั้นนี้แพงไหมแพงนะแพงเพราะฉะนั้น เรานอนคนเดียวนอนคนเดียวเปรี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกนอนสองคลองครุกแสนสนุกแต่ไม่ชอบอันไหนชอบสบายหรือชอบสนุกคนธรรมดาชอบสนุกคนไม่ธรรมดาต้องชอบสบายใครบ้างชอบสบายยกมือขึ้นโอ้ใครบ้างชอบสนุกยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าชอบทั้งสองอย่างโอ้ฮ่าอยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่ สองคนครองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายไม่สนุกนั้นเป็นบุญแต่สบายนั้นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะเอากุศลแล้วบุญดีเอากุศลดีกว่าเนา ะ, ะจะได้สบายแต่สนุกนั้นมันมีโรคไงอ่าเอากินสนุกลิ้นอร่อยลิ้นกินเยอะๆไปไงอ่าก็ตกนรกละจากสวรรค์ก็กลายเป็นนรกทันทีอ่าแล้วก็ร่างกายตอนแรกได้สัมผัส คนเรงอยู่เดียวไม่ได้ต้องได้สัมผัสให้สนุกที่สุดเพรา ะ, ะายานสันชาตยานแห่งการาสืบพันธ์จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายด้วยสวรรค์ชั้นนี้เราเค็จึงแตกลูกเล่าเราลาออกมาด้วยสวรรค์ชั้นที่ห้านั่นเอง <S <S <ห ôn S 2> คนก็เลยไปบริโภคทางตาหงษ์จมูกลิ้นกายใจจนครบสวรรค์ห้าชั้นแล้วใครเป็นคนสั่งสวรรค์ชั้นที่ถ้ามันสั่งไปสวรรค์สวรรค์คู่กับอะไรคู่กับนรก ดีใจคู่กับเสียใจแต่ถ้าเป็นใจดีเป็นกุศลหรืออกุศลใจดีเป็นกุศลถ้าดีใจเป็นอกุศลโอ้ไปพูดง่ายไม่ได้เนาะเดี๋ยวใจดีเป็นอกุศลคําว่ากุศลอกุศลแปลว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเท่านั้นไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีคนทําอะไรได้วยความฉลาดเรียกว่ามีกุศลเรียกว่ากุศโลบาย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 อ่าพระนั้นพุทธศาสนาสอนให้คนเกิดปัญญาไม่ได้สอนให้คนเอาบุญเพราะบุญนั้นคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการถ้าคุณทําเหตุมันถูกมันก็เกิดปัญญาข้าวมันใช่ไหมคุณไม่ต้องปรารถนาผลแต่ถ้าหากคุณปรารถนาผลบุญแล้วแต่ว่าทํากุศลไม่เป็นทำเหตุไม่เป็ น, น, ปนบุญเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางคนยิ่งทําบุญก็ยิ่งจนเพราะทําไม่ถูกกราเชิญไม่หายจนที่ทีหนึง่งแต่บางคนเลือกทําบุญ ผู้ที่เจ้าตองบอกต้องวิจัยทำบุญที่ไต้องวิจัยก่อนวิจัยยถาหนังผู้ที่เจ้าสอนให้วิจัยวิจัยว่าเหมือ น, นเราจะปลูกข้าวเนี่ยจะปลูกตรงเนี้ยมันถูกลูดูการไหมดูกสถานที่ไหมที่เหมาะสมที่จะหวานไหมต้องวิจัยข้าวพันข้าวดีไหมราคาดีหรือเปล่ามันต้องวิจัยกันหลายชั้นใช่ไหม <S <S เหมือนกันเราจะทำบุญกับใครเนี่ยเราจะให้ทำทานกับใครต้องวิจัยซะก่อนเหมาะสมมไหมจะให้กับคนนี้เหมาะสมไหมจะทำเวลานี้เหมาะสมมไหมที่ทำเท่านี้ อะไรเนี่ยต้องวิจัยเสียก่อนแต่ด้วยชาวพุทธของเราต้องการบุญเย่าเร็วไม่ต้องวิจัยทําแล้วได้ทําก็สบายใจก็พอแล้วแต่มันจะถูกไม่ถูกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เรียกว่าทําบุญแต่ไม่เกิดกุศลมันก็ทําไปเรื่อยๆนะเหมือนใครจะปลูกข้าวหวานทุงไหนก็ได้ไปที่ไหนเป็นดินหะวานได้ทั้งนั้นนะแล้วผลออกมาเป็นไงได้ตามต้องการไหมไม่ได้เออแต่มันจะต้องรู้จกักเออต้องมีน้ําต้องมีฝนต้องมีฤดูกาลต้องมีดินดีปุย๋ยดีแล้วการทําถูก อ่าเรียกว่าวิธีการนะนี่เรียกว่านั้นสวรรค์ชั้นที่5ที่6กรวบเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเป็นเรื่องของกายกับใจเพราะนั้นสวรรค์หกชั้นก็ได้แก่อะไรโดยปรมัตได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงบอกเอ๊ะทาไมไม่มีสกเกจชั้น8ชั้นก็เพราะเรามีอายตนะแค่6เพราะฉะนั้นในสวรรค์6ชั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นนรก6กหลุมแด้เหมือนกันเช่นตาของเราไปดูไปพบเพื่อนมิตรที่รักกันชอบกันเราก็ไปสวรรค์ ไปเจอคนที่ไม่ถูกชะตาไปเจ อ, อคนหน้าคาดเป็นศัตรูกันไปเจอกันแล้วเกิดอะไรในใจเกิดนรกทันทีเหมือนกันอย่างอื่นเมือไหร่ได้กินอาหารอร่อยเป็นสวรรค์อากินไปเจออาหารที่ไม่อร่อยก็เป็นนรกเริ่มแล้วไม่พอใจอ ะ, อะไรเมื่กี้น่อได้ทะเลาะ ก, กันในเรื่องอาหารใช่ไหมไม่กินข้าวในบ้านเพรา ะ, ะแฟนทำอาหารไม่อร่อยได้ไปกินนอกบ้านได้ทะเลาะ ก, กันเรื่องอาหาร อ, อยู่ด้วยกัน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 อย่าพอใจในสิ่งที่เห็นอย่าไม่พอใจในสิ่งเห็นสักตว์เห็นได้ยินสักตว์ไดินรู้สักตว์รู้นั่นคือการอยู่เหนือนรกสวรรค์ก็คืออยู่เหนือความพอใจและไม่พอใจนั่นเองนั้นเวลาเราจเจริญสติปัฏฐานพุริชจ้าท่านบอกว่ า, ากายเยกายานุปสัสสิวิหารติอาตาปีสัมปชันโอเสติมาวิไนยยโลกเกอภิชาโทมานสังบอกว่าจเจริญสติพิจารณากายเวทนาจิตรทำนี้เพียงเพื่ออะไร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 คำภีลิ้นคำภีกายและคำภีใจคำภีที่เจ็ดได้แก่ปัญญาเหตุปัจเจโยอารามณนปัจเจโยใช่ไหมคนที่มีปัญญาเท่านั้นจะรู้เหตุของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นตัวชวนะที่เจ็ดได้แก่ปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหกชวนะและมีตัวรู้ขึ้นมาเราจึงมาเจริญตัวรู้มาเจริญตัวปัญญาเพื่อที่จะไปตามดูการกระทบของอายตนะทั้งหกแล้วเอาความพอใจไม่พอใจในขณะที่ ตาเห็นรูปหูได้เสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริม ล, ลดกายสัมผัสใจนึกคิดเข้าไปเฝ้าดูเท่านั้นอย่าพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรารับรู้ทั้งอาจจะทั้งหตรงนั้นจิตของเราพิจารณาด้วยปัญญาก็ออกมาจากสวรรค์ออกมาจากนรกไปที่ไหนไปนิพพานเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งประตูสวรรค์เป็นทั้งประตูนรกและเป็นทั้งประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเคยถามไหมว่าทําไมนิ้วของเราจะมีสามข้อทําไมไม่มีสี่ข้อห้าข้อหกข้อ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 มันมันต่างจะไปพูดที่อื่นไม่ได้นะที่พระคนนี้พูดนอกตำลานะฮะกล่าวถูงพุทธเจ้าโอ้โหตรงนรกเอาง่ายๆเยนาะแต่ว่าเราพูดในฐานะสมมุติให้เป็นสัจธรรมที่เป็นเข้าใจในณปัจจุบันเพราะเราจําเป็นต้องสื่อกันในสิ่งที่เข้าใจกันได้สิ่งไหนไม่พูดไปแล้วไม่เข้าใจก็พูดไปก็เสียเวลาคนฟังก็เบื่อนะก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจ มีสติสมรยะและมีความอดทนในการฟังตลอดด้วยความสงบด้วยความคารวในการแสดงธรรม mm hmm. ก็ด้วยอานิสงส์ในการมีคุณธรรมเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถเจริญสติปัญญายกจิตออกจากความเป็นนรกเป็นสวรรค์ไปสู่นิพพานมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอิ